สัมผัสสยองเรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วผมเป็นคนจังหวัดมุกดาหารพอเรียนจบก็ได้งานเป็นเซลล์ขายสินค้าให้กับโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองแม่ของผมท่านไม่อยากให้ผมย้ายไปทำงานไกลบ้านสักเท่าใดเพราะว่าท่าน เป็นห่วงลูกชายคนเดียวอย่างผมก่อนที่ผมจะเดินทางไประยองแม่ก็ถอดสร้อยปราอิธันมักจะคล้องคอไว้เสมอแม่เอามาคล้องคอให้กับผมผมรีบปฏิเสธและบอกแม่ว่าให้เก็บสร้อยไว้เถอะปกติผมก็ไม่ใส่สร้อยพลาอยู่แล้วมันรู้สึกไม่คล่องตัวแล้วสร้อยนี้ก็เป็นสร้อยที่แม่ใส่เป็นประจำถ้าจะให้ผมจริงๆ ผมก็ขอสร้อยพระองค์อื่นที่แม่เก็บเอาไว้มาใส่แทนก็ได้แต่แม่ก็ยังยืนยันจะให้พระองค์นี้กับผมท่านบอกว่าใส่สร้อยพระแล้วจะชินไปเองให้ผมพกติดตัวไว้เสมอจะได้เอาไวคค้คุ้มครองคุ้มภัยแต่ถ้าผมไม่เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ์ก็ให้แขวนพระไว้เพื่อเลลึกตนและจะได้ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วแม่ก็บอกให้ผมหมั่นสร้างกุศล พราพระท่านจะคุ้มครองคนดีผมได้ฟังก็เริ่มเห็นด้วยกับแม่จึงรับพระมอแวนไว้ที่คอแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปทำงานที่ระยองในช่วงเช้าของแต่ละวันที่ผมทำงานผมจะเข้าไปตอกบัตรแล้วก็ไปชุมกับทีมเซลล์ด้วยกันจากนั้นเซลล์แต่ละคนก็จะแยกย้ายออกไปพบลูกค้าข้างนอกโรงงาน ทำให้ผมไม่ค่อยจะได้อยู่ประจําที่โรงงานเท่าไหรนะ่นักแล้ววันหนึ่งขณะที่ผมกําลังนั่งดื่มกาแฟาที่ห้องครัวของพนักงานในโรงงานผมก็ได้ยินเสียงร้องอีอะดังอยู่ในห้องครัวจึงเดินไปดูก็เห็นคนสี่ห้าคนกําลังช่วยกันพาผู้หญิงสองคนที่หมดสติอยู่เข้ามานอนที่โซฟาผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาเอาน้ําในห้องครัว ผมจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอก็น้องผู้หญิงสองคนนั้นอ่ะตอนที่กำลังทำงานอยู่จู่ๆก็ร้องกรี๊ดแล้วเป็นลมไปพวกเราเลยช่วยกันพามาปรมพยาบาลที่นี่ไม่นานนะักน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็ฟื้นจากอาการเป็นลมท่าทางของน้องเหมือนกลัวอะไรสักอย่างในตาเบิกกว้างมือสัน่นน้องผู้หญิงไม่พูดอะไร เอาแต่บอกว่าอยากจะกลับบ้านเท่านั้นสักพักน้องผู้หญิงอีกคนก็ฟื้นขึนแต่เหมือนว่าน้องคนนี้จะตั้งสติได้ดีกว่าคนก่อนเธอจึงเล่าให้คนในห้องนั้นฟังว่าตอนที่เธอกําลังทำงานอยู่เธอเห็นเงาดาๆเคลื่อนตรงมาที่เธอเธอตกใจมากจึงร้องกรีดแล้วเงาดานั้นก็พุ่งชนจนเธอล้มลง จากนั้นเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยผมซึ่งนั่งอยู่ในห้องครัวได้ยินทุกอย่างที่น้องผู้หญิงคนนั้นเล่าก็รู้สึกสงสัยว่าเงาดำๆที่ว่านั้นคืออะไรแต่ก็ไม่ได้เข้าไปถามจากนั้นผมก็ได้ยินหัวหน้าของน้องผู้หญิงบอกให้ทั้งสองคนกลับไปพักที่บ้านก่อนทุกคนในห้องจึงแยกย้ายกันไปทำงานของตัวเอง วันถัดมาตอนที่ผมกำลังประชุมกับทีมเซล์ตามปกติในห้องประชุมที่ด้านหนึ่งของห้องจะเป็นผนังกระจกทำให้มองออกไปเห็นทางเดินข้างนอกห้องได้ผมเห็นหัวหน้าแผนกคนเมื่อวานกำลังยืนคุยกับลูกชายเจ้าของโรงงานด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดพอประชุมเสร็จผมกับเพื่อนก็ค่อยๆเดินออกจากห้องผ่านทางเดินไป ได้ยินหัวหน้าแผนกพูดประโยคหนึ่งแวแวว่าว่าถ้าไม่ย้ายสารกลับอาจจะเกิดเรื่องร้ายมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมอยากหยุดฟังแต่ก็รู้ว่าจะเป็นการเสียมารยาทจึงเดินผ่านไปไกลจนไม่ได้ยินว่าทั้งสองคุยอะไรกันต่อจากนั้นผมก็ไปเอารถเพื่อจะออกไปพบลูกค้าตามปกติขณะที่ขับรถไปที่ประตูด้านหน้าของโรงงาน ผมจึงได้สังเกตเห็นว่าสารเจ้าที่นั้นหายไปกลายเป็นโรงจอดรถเข้ามาแทนคงเป็นเพราะผมไม่เคยได้อยู่ที่โรงงานเลยไม่รู้ว่ามีการย้ายสารเจ้าที่ผมเก็บความสงสัยเอาไว้จนกระทั่งถึงตอนเย็นเพราะผมตอกบาดเสร็จก็ลองเข้าไปถามป้าแม่บ้านว่าสารเจ้าที่หายไปไหน ป้าแม่บ้านรีบเอานิ้วชี้มาแตะที่ปากตัวเองเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าให้พูดเบาๆทำให้ผมยิ่งงงหนักเข้าไปอีกป้าพูดเหมือนกระซิบว่าลูกชายเจ้าของสั่งให้ย้ายสารเจ้าทีไปอยู่หลังตึกของโรงงานเพราะจะสร้างโรงจอดรถเพิ่มให้ทีมเซลล์ที่จะรับเข้ามาเพิ่มอีกผมพยายามหน้าเข้าใจแต่ก็ถามป้าแม่บ้านกลับไปว่า แล้วทำไมต้องพูดกันเบาๆด้วยล่ะป้าป้าหันซ้ายหันขวาเหมือนกลัวจะมีใครได้ยินแล้วตอบว่าหลังจากที่ย้ายสารเจ้าที่ไปหลังตึกก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆจนคนในโรงงานลือกันว่าเป็นเพราะเงาของตึกบังสารเจ้าที่คนในโรงงานก็เลยทำงานกันไม่สงบบางคนเจออุบัติเหตุทาให้เลือดตกยางออ่อบางคนก็บอกว่า เจอเงาดำๆผ่านไปผ่านมาที่ผ่านมาเคยมีคนไปขอให้ลูกชายเจ้าของย้ายศาลกลับมาที่เดิมแต่ก็โดนปฏิเสธถูกหาว่าไร้สาระลาวลูกชายเจ้าของก็สั่งไม่ให้พูดเรื่องศาลเจ้าที่อีกผมฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่น้องผู้หญิงสองคนบอกว่าถูกเงาดำพุ่งชนจนล้มลงไปแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ ก็เลยขับรถกลับบ้านไปแบบไม่คิดอะไรจนกระทั่งประมาณสามทุมเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อแจนซึ่งเป็นเซลในโรงงานเหมือนกันกับผมก็โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการทำวิธีปัดรังควานที่โรงงานให้ทุกคนเข้าไปร่วมงานแต่เช้าผมก็รับคำแล้วถามด้วยความสงสัยว่าเมื่อเช้าประชุมไม่เห็นหัวหน้าแจ้งไว้เลยทาไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ แจนก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องการหันหันเนอะสิหัวหน้าโทรบอกแจนแล้วให้แจนกระจายข่าวบอกเพื่อนๆนในทีมเซลอีกทีแจนนิ่งไปสักพักแล้วก็พูดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องเมื่อค่ำนี้ก็ได้เห็นพวกคนงานกัดกันคือเล่ากันว่ามีคนเห็นคนงานคนหนึ่งถูกเงาดำผลักตกลงมาจากระเบียงในโรงงานคนงานคนนั้นหัวกระแทกพื้นตายคาที่ พื้นโรงงานมีเลือกกดกระจายเต็มไปหมดเป็นภาพที่สยดสยองเลยทีเดียวคนงานหลายคนกลัวกันมากจนขอลากลับบ้านไปเลยหลังจากวางสายคงแจนไปผมก็มานอนคิดว่าเรื่องเงาบางสารที่คนงานเล่าลือกันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นคนงานคนนั้นอาจพลัดตกเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับอะไรเลยก็ได้ ในเมื่อมีคนตายอย่างสยดสยองแบบนี้ถ้าได้ทําบุญโรงงานก็คงจะดีเหมือนกันจากนั้นผมก็สวดมนเพื่อเข้านอนในวันรุ่งขึ้นผมรีบไปโรงงานแต่เช้าเพราะผมเดินเข้าไปยืนข้างแจนในห้องโถงใหญ่ของโรงงานก็เห็นคนมาตั้งแถวรอกันเป็นกลุ่มๆแถวหน้าสุดเป็นลูกชายเจ้าของโรงงาน และพนักงานระดับผู้บริหารผมเห็นโต๊ะที่ตั้งของเซนไวเอเอาไว้ที่ด้านหน้าห้องใกล้กันนั้นมีคนที่ใครๆเรียกว่าอาจารย์แต่งชุดขาวคล้ายนักบวชของพรามณ์เมื่อเห็นว่าพนักงานมากันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ผนมมือขณะที่กำลังจะเริ่มทำพิธีเรื่องโกลาหนก็เกิดขึ้นผู้หญิงในห้องเริ่มร้องกรีด แล้วล้มลงไปทีละคนหนึ่งในนั้นก็มีแจนเพื่อนของผมอยู่ด้วยเธอนอนชักกระตุกตาเหลือกสักพักก็สลบไปผมรีบพยุงร่างของเธ อ, เอไว้แล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางห้องเธอมีท่าทางเหมือนกับผีเขา้าดวงตาแดงกล่าเป็นสีเลือดแล้วชี้มือไปที่ลูกชายเจ้าของโรงงานตะโกนเสียงดังว่า ฮุกมึงต้องยายออกไปเอาบางที่ที่พวกกูอยู่กันมานานแล้วจากนั้นเธอก็ล้มลงไปนอนกับพื้นทุกคนในห้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นคนงานหลายคนวิ่งหนีออกไปจากห้องด้วยความกลัวบางคนก็ช่วยพยุงเพื่อนที่เป็นลมออกไปประถมพยาบาลในห้องประชุมมีแต่เสียงดังโวยวายผมร้องเรียกเพื่อนอีกคนชื่อพัน ให้ช่วยกันพาแจนออกไปเหมือนกันพอผมมองไปที่หน้าห้องก็เห็นอาจารย์กาลังพนมมือหลับตาท่องอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันที่อาจารย์จะท่องจบผมก็ได้ยินเสียงแตกของหลอดไฟบนเพดานดังแทบจะพร้อมๆกันแล้วไฟในห้องประชุมทั้งหมดก็ดับลงทันทีเสียงคนงานร้องกรีดด้วยความตกใจในห้องประชุมนั้นมีแสงจากหน้าต่างเล็กๆ ลอดเข้ามาให้เห็นข้างในได้เล็กน้อยระหว่างที่ผมกับพันกําลังอุ้มแจนออกจากห้องผมก็เห็นเงาดําๆรูปร่างเหมือนคนตัวใหญ่มากเขาใช้มือปัดของเส้นไห้ที่อยู่บนโตะ๊ะตกแตกกระจายตั้งแต่เด็กผมไม่เคยเชื่อเรื่องบินยานเลยจนมาได้เห็นกับตาของตัวเองในที่สุดผมกับเพื่อนก็ออกมาจากห้องประชุมได้สําเร็จ แต่แจนยังไม่ได้สติผมจึงตัดสินใจว่าจะพาแจนไปโรงพยาบาลขณะที่พวกผมกำลังจะอุ้มแจนขึ้นรถแจนก็ลืมตาตื่นขึ้นจ้องพวกผมขม่งตาแดงเป็นสีเลือดปากซีดเผือดแทบจะเป็นสีขาวแล้วเธอก็ตะคอกด้วยเสียงทุ้มใหญ่เหมือนผู้ชายว่ากูไม่ไปผมกับพันรีบปล่อยเธอแล้วถอยออกมาจากรถ แจนนั่งอยู่บอ่อหลังสภาพเหมือนคนไม่มีเรียวแรงแต่สายตายังแข็งกร่าวจ้องมาทางพวกเราเมื่อพันหายตกใจแล้วก็เลยพูดว่านี่ไม่ใช่แจนใช่ไหมแจนพูดเป็นเสียงผู้ชายตอบว่าใช่เขาสั่งให้มาทำให้ดูเรามันไม่เชื่อ ว, ว่ามีจริงพันก็ถามต่อว่าแล้วทำไมไม่ไปทำกับลูกชายเจ้าของซะเลยมาทากับคนงานทาไม เสียงนั้นตอบว่ามันมีของดีเลยทำอะไรมันไม่ได้จะทำได้กับคนที่มีจิตอ่อนเท่านั้นส่วนคนนี้กูก็จะเอาไปด้วยผมกับพันมองหน้ากันด้วยความตกใจผมเอามือแตะพระที่แขวนไว้ข้างในเสือ้อรู้สึกขอบคุณแม่ที่ให้ผมมาไว้ปกป้องคุ้มครองผมเห็นแจนอาการไม่ดีกลัวแจนจะเป็นอะไรไป ก็เลยถอดพระมาะคล้องคอแจนทันทีที่ส้อยพระสวมคอแจนก็ร้องกรีดเสียงดังผมกับพันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยช่วยกันท่องนโมสามจบแล้วแจนก็ค่อยๆสงบลงจนดวงตาแดงกํมค่อยๆหายเป็นปกติแต่แจนดูอ่อนแรงหายใจรวยรินผมจึงรีบขึ้นรถพาแจนไปโรงพยาบาลโดยมีพันนั่งข้างหลัง คอยดูแจนเอาไว้แจนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งวันอาการก็ดีขึ้นหมอจึงให้กลับบ้านได้ส่วนที่โรงงานหลังจะเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญในวันนั้นโรงงานก็ปิดชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหมกับพันจึงได้ไปเยี่ยมแจนที่บ้านสีหน้าของแจนสดชื่นขึ้นมาบ้างแล้วเธอจาอะไรในวันนั้นไม่ได้เลย รู้แค่ว่ากำลังยืนเข้าแถวในห้องโถงแล้วก็วูบไปผมเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เธอฟังแจนถอดสร้อยพระเมื่อคืนให้ผมแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยในวันนั้นสักพักเพื่อนของแจนชื่อพิมก็เข้าบ้านมาบอกว่าคืนนี้พิมจะมานอนเป็นเพื่อนแจนไม่อยากให้แจนนอนคนเดียวเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาล ผมกับพันคุยกับแจนไม่นานก็ขอตัวกลับระหว่างทางที่เดินกลับไปที่รถพันบอกว่าที่โรงงานกําลังทำพิธีย้ายสารกลับมาไว้ที่เดิมอีกไม่กี่วันก็คงจะกลับเข้าไปทางานได้พอผมได้ยินก็โล่งใจที่โรงงานจะสงบเสียทีวันรุ่งขึ้นพิมก็โทรหาผมบอกว่าเมื่อคืนตอนที่พิมนอนบ้านแจน เธอได้ยินเสียงหมาหอนดังหวยหวนตลอดคืนพอหันไปดูแจนก็เห็นแจนอนคลุมโปองอยู่พิมพจึงหลับไปไม่คิดอะไรเช้ามาพิมพ์ลุกขึ้นมาทำธุระส่วนตัวจนเสร็จเห็นแจนไม่ตื่นสักทีเลยคิดว่าจะไปปลุกพอพิมพ์ดึงผ้าห่มออกก็เห็นแววตาที่น่ากลัวของแจนเธอดวงตาแดงก่าเป็นสีเลือดปากซีดแหง้งแตกเป็นขุย แล้วตะโกนออกมาว่าอ ย, ย่ามายุ่งพิมพ์ตกใจมากรีบวิ่งออกมาจากห้องแล้วโทรหาผมในทันทีผมจึงบอกให้พิมคอยสังเกตแจนไว้อยู่ห่างๆแล้วผมก็โทรหาพันให้ไปเจอกันที่บ้านแจนเพราะผีที่โรงงานคงจะเข้าสิงแจนอีกแล้วพันเสนอว่าน่าจะลองพาแจนไปหาหลวงพ่อที่วัดดู ผมก็เห็นด้วยจึงนัดแนกกันให้รีบไปที่บ้านของแจนเมื่อมาถึงที่บ้านแจนผมเห็นพิมมายืนรอท่าทางร้อนใจอยู่ที่หน้าบ้านเพราะไม่กล้าเข้าไปพันล้วงส้อยพระในเสื้อออกมาพนมมือผมเห็นแล้วก็ทำตามบ้างจากนั้นผมกับพันก็เดินเข้าไปในบ้านโดยให้พิมพ์เตรียมตัวรออยู่ที่รถเมื่อพวกผมเข้าไปในห้องแจน ก็เห็นแจนกำลังนั่งอยู่ที่เตียงเธอนั่งนิ่งตาแข็งไม่กระพริบตาเลยพันจึงพูดว่านี่แจนใช่ไหมแจนเงียบไม่ตอบอะไรเมื่อพันแต่ที่แขนของแจนก็ถูกตะวาดลงมาว่ากูไม่ใช่แจนอยา่ามายุ่งกับกูพันก็เลยพูดว่าเดี๋ยวจะพากลับปะไปขึ้นรถกันสายตาของแจน เริ่มคลายความแข็งกระด้างลงยอมให้ผมกับพันพาไปขึ้นรถแต่โดยดีผมขับรถมุ่งหน้าไปวัดส่วนพันกับพิมพ์นั่งขนาบคางจับตัวแจนเอาไว้พอผมเลี้ยวเข้าประตูวัดแจนก็ตะโกนโวยวายขึ้นมาว่าพวกมึ ง, มงหลอกกู ก, กูจะเอาชีวิตพวกมึ ง, มงแล้วแจนก็เริ่มดิน้นจนพิมพ์กับพันต้องช่วยกันจับไว้อย่างทุลักทุเล พิมกรัวมากจับเพื่อนไปก็ร้องไห้ไปด้วยในที่สุดพวกเราก็พาแจนไปหาหลวงพ่อได้หลวงพ่อสวดและพรมน้ำมนต์ไปที่ร่างของแจนแจนร้องไห้ฟูมฝ่ายแล้วค่อยๆสงบลงหลวงพ่อทรงพระให้ผมแล้วท่านก็บอกว่าให้แจนพกติดตัวไว้ตลอดระหว่างนี้ให้รักษาศีนห้า และสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนหลังจากนั้นพวกผมก็ทำบุญกรวดน้าอุทิศบุญกุศลให้วิญญาณทั้งหลายในโรงงานแจนหายกลับมาเป็นปกติเธอจึงปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกอย่างเคร่งครัดไม่กี่วันหลังจากนั้นโรงงานก็เปิดให้คนเข้าทำงานตามปกติเมื่อผมขับรถผ่านประตูหน้าของโรงงาน ก็เห็นสารเจ้าที่กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วจึงจอดรถแล้วลงไปจุดธูปไหว้เจ้าที่ขอให้กลับมาปกป้องคุ้มครองคนในโรงงานนี้เหมือนเดิม ฮัตสิยง